ิานไทยบึงหงการครั้งหนึ่งไกลเข้าไปในป่าลึกมีบึงแห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าบึงหงที่นั้นมีหงเพียงตัวเดียวอาศัยอยู่มันอยู่อย่างเงียบเงียบและสง่างามในน้าใสสะอาดบึงหงถึงแม้จะสวยงามแต่ยังมีความลับบางอย่างเมื่อพระอาทิตย์ตกหงจะกลายเป็นหญิงสาวที่งดงาม หญิงสาวแท้จริงคือเจ้าหญิงที่มีนามว่าโอเดตเธอถูกคำสาบโดยพ่อมดร้ายชื่อรอบบารเพราะเขาเกลียดความใจดีของเธอทางเดียวที่จะคลายคำสาบได้คือเธอต้องพบกับรักแท้โอเดตต้องคำสาบอยู่สินนะ <c oughs> เจ้ายังคลายคำสาบไม่ได้อีกเหรอฉันเจ้าหัวรอบไปเถอะนะรักแท้จะหาข้าเจอ และช่วยข้ารถเบิรดบ์ดรักแท้เหรออะไรจะหาเจ้าเจอในป่าเมื่อนแบบนี้แล้วใครจะรักกับหงได้เจ้าต้องอยู่คนเดียวไปตลอดการเขาต้องมาแน่หัวใจของข้าบอกว่าเขาจะมาในอาณาจักรที่อยู่ไม่ไกลจากป่า มีราชนีใจดีอาศัยอยู่เธอมีบุตรชายคนหนึ่งนามว่าเจ้าชายซิกฟรีดเขารูปงามชานฉลาดและแข็งกแกรง่งแต่ความเมตตาเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นเย็นวันหนึ่งราชนีเรียกเขาเข้าพบซิกฟรีดมานี่สิลูกแม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เซอร์อะไรครับแม่มีอะไรให้ลูกชายที่โตแล้วงั้นเหรอโอ้มา ว้าวท่านแม่แต่มันก็ดูเหมือนม้าทั่วไปลองดูซิกฟรีดไม่ล่ะมันดูไม่แข็งแรงพอท่านดูเหมือนมันจะซาพอสำหรับแม่นะบางทีน่ะลูกน่าจะตั้งชื่อมันว่าสตรอมเปอร์เอาล่ะแม่มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งจะให้ลูกซิกฟรีดพบกับหญิงงามสามคนเดินมาตรงหน้าเขา นี่คือหญิงสาวที่มาเพื่อพบลูกแต่งงานงั้นเหรอแต่ข้ายังไม่อยากแต่งงานท่านแม่และผู้หญิงพวกนี้พวกนางไม่ได้สนใจข้าพวกนางอยากแต่งงานกับข้าก็เพราะเพียงว่าข้าเป็นเจ้าชายเอออย่าค่อยิสฟรีดพูดอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย ข้าไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วมานนี่มาเจ้ามา้ามาดูว่าแกแข็งแรงแค่ไหนพาข้าไปให้ไกลาจากที่นี่สตรอมเตอร์เตะท้าของมันขึ้นในอากาศและวิ่งไปด้วยความเร็วเต็มสูบออกจากอณาจักรเจ้าชายสิคฟรีดไม่สามารถควบคุมมันได้และไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนเจ้าม้าก็ยังวิ่งไม่หยุดในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงป่า รมเและโยนเจ้าช้ซิกฟรีดลงบนกองใบไม้เจ้าหมาเน่าบังคับวิ่งก็ไม่ได้แกต้องชดใช้สำหรับเรื่องนี้แต่เมื่อเขาหันกลับไปเขาพบกับบึงด้านหน้าของเขาเขาแปลกใจมากที่เขาเกือบลืมเรื่องแย่ๆในวันนี้เขาสุดลงใกล้ๆกับพุ่มไม้ และเริ่มมองดูบึงในที่สุดข้าก็พบที่เงียบสงบทําไมท่านแม่ต้องทําแบบนั้นด้วยอยากให้ข้าแต่งงานกับใครก็ไม่รู้แถมยังให้เจ้าหมานี่กับข้าอีกข้าไม่ชอบเลยช่า <c oughs> งเป็นวันที่ยุ่งยากจริงๆเมื่อเจ้าชายบ่นถึงเรื่องแย่ๆในวันนี้เจ้าหญิงโอเดต ท, ที่แอบอยู่หลังต้นไม้และกําลังมองมาที่เขา เขาเป็นใครกันนะเหมือนเขากําลังโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลยโลกนี้มันห่วยแตกแม้แต่พวกดอกไม้ยังดูแย่เลยเมื่อเห็นเขากําลังจะทําลายดอกไม้โอเดตโกรธมากนี่เจ้าอย่าทําดอกไม้นะมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเจ้าชายซิกฟรีดลุ่มหลงในความงามของโอเดตเจ้าเจ้าเป็นใครข้าอเด็ต เจ้าหญิงของบึงนี้เจ้ากล้าดียังไงจะมาทําลายดอกไม้ที่น่าสงสารพวกนี้อ้ข้าคือเจ้าชายซิกฟริดทาไมเจ้าต้องสนใจดอกไม้งโง่พวกนี้ด้วยพวกมันไม่ได้งอเนะพวกมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือน ก, นกันกับเจ้าเลยค้าหยุดเข้าข้างนางเลยนะโอเด็ตวางมือของเธอบนดอกไม้และทําให้มันกลับมาบานอีกครั้งซิกฟริดตกตะลึง เขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนโอเดตเห็นตอนที่เขาดูเธอทำเธอมองเขาแล้วยิ้มออกมาเจ้ายิ้มแบบนั้นให้ข้าทำไมเมื่อเจ้าช่วยใครสักคนหนึ่งในยามที่เขาต้องการเจ้าจะรู้เองลองดูสิมันไม่ทำร้ายเจ้าหรอกการมีแม่ตานอะเจ้าดูถูกข้าเหรอนี่มันช่างงี่เง่าข้าไปละม่นี่เจ้ามานี่เจ้าชายลองสักครั้งสิท่านจะยิ้มเหมือนกันแล้วแต่เลย เจาชายซิีฟริดควบม้ากลับอย่างรวดเร็วแต่ยังอีกไกลกว่าจะถึงตอนนี้เวลาได้เปลี่ยนเป็นรุ่งเช้าระหว่างทางเขาได้พบกับชายชราที่น่าสงสารคนหนึ่งพ่อหนุ่มข้าขอน้ําสักหน่อยได้ไหมข้ากระหายน้ํามากน้ำนั้นเหรอนี่เจ้าคิดว่าท่านใด น, นั้นเสียงของโอเดตก็ได้แวบเข้ามาในความคิดของเขานี่เจ้าชายไม่มีวันสายพิลอกสําหรับการมีเมตตาเอ่อเอาดิออกไปเลย ดื่มให้หมดนะข้าไม่เอาแล้วดื่มเลยโอ้ขอบคุณมากเจ้าช่างมีเมตตาเจ้าชายประหลาดใจมากที่เขายิ้มออกมาจริงๆเขาควบม้าด้วยความอารมณ์ดีและไม่นานก็กลับมาถึงบ้านวันต่อมาในพระราชวังเขาตัดสินใจขอคนใช้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนและเมื่อเขาเห็นการแสดงออกของพวกเขาเขาก็รู้สึกดีขึ้น นี่สินะที่นางหมายถึงข้าไปหานางดีกว่าคืนนี้ดังนั้นในคืนนี้เขาจึงแอบไปหาม้าของเขาไอ้ข้าเองข้าอยากไปที่บึงพาข้าไปเดี๋ยวนี้ อ, อะไรนะอดีตข้าไปถึงช่วยพาข้าไปที่บึงได้ไหมสตอมเปอร์และพวกเขาก็กลับมายังบึงโอเด็ตประหลาดใจอย่างมาก โอ้เจ้ากลับมาทำไมกันเหรอเออเจ้าหมายถึงอะไรทำไมเหรอนี่เจ้าชายนะเขาถูกห้าไม่ให้ออกไปไหนเมื่อไหนที่เขาอยากไปอย่างงั้นเหรอไงยก็เถอะขอบใจเจ้าที่สอนบางอย่างที่พิเศษแก่ข้าเมื่อวานนี้ด้วยความยินดีมาสิข้าจะพาไปดูรอบๆเจ้าด้วยนะ อ, อโอมันชื่อสตรอมเปอร์ไงสตรอมเปอร์แกดูเป็นมาที่ดีนะพอเลย อย่าเริ่มเลยว่าเขาดีแค่ไหนอืตลอดทั้งคืนซิกฟรีและออเดตหัวเราะและพูดคุยกันตลอดเธอพาเขาไปดูความสวยงามในสวนต่างๆแต่ความเมตตาและความงามของเธอคือทั้งหมดที่เขาใส่ใจที่จะดูทุกๆคืนเขาจะมาพบเธอและพวกเขาก็จะแยกกันตอนรุ่งสางหลายวันผ่านไป ทุกคนสังเกตเห็นว่าเจ้าชายมีเมตตาและใจดีลูกเหรอแม่มีบางอย่างจะบอกเจ้าครับท่านแม่คืนนี้ยิงสาทั้งหมดในอาณาจากักรจะถูกเชิญมาร่วมงานเต้นรำและเจ้าต้องเต้นรำกับพวกนางแต่ว่าท่านแม่ข้าบอกท่านไปนแล้วว่าข้าไม่ได้รักพวกนาง <c oughs> อ้อลูกเหรอผู้คนทั่วราชาอาณาจากักรต่างหวังว่าเจ้าชายของพวกเขาจะแต่งงาน และขึ้นของราชอย่างราชาและพรุ่งนี้ลูกต้องเลือกเจ้าสาวหนึ่งคนและนี่คือคำขาดของแม่เขาจะทำไงดีสตรอมเปอร์ <c oughs> คืนนั้นเจ้าชายเต้นรำกับสาวงามทั้งหมดที่ทอยู่ในงานเขายิ้มให้พวกนางแต่ในใจของเขาคิดถึงเพียงโอเด์เงานเต้นรำกินเวลาตลอดทั้งคืนแต่สุดท้ายก็จบลงเจ้าชายแอบออกจากพระราชวัง รเราไปหาโอเดตกันดีกว่าพวกเขาวิ่งอย่างรวดเร็วผ่านความหนาวเย็นในยามค่าคืนพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีเงากำลังติดตามพวกเขาอยู่ข้างหลังในมื่ช้าพวกเขาก็มาถึงบึงโอเดตโอเดตทำไมซิกฟริดคืนนี้เจ้าช้านะโ อ, อทุกอย่างโอเคใช่ไหมโอเดต ข้ามาที่นี่เพื่อบอกเจ้าว่าข้ารักเจ้าข้าหยุดคิดถึงเจ้าไม่ได้เลยได้โปรดแต่งงานกับข้าเถอะโอเค ข, ข้าทำไม่ได้นะอะไรนะทำไมล่ะเพราะว่าข้าในตอนนั้นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นและก่อนที่โอเดตจะพูดจบเธอกลายเป็นหง ตอนหน้าต่อตาเจ้าชายซิกฟรีดโอเดตไม่นะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทําไมเจ้าถึงกลายเป็นหงศ์ท่านเห็นแล้วหลายปีก่อนพ่อหมดชื่อรถบัสได้ไร้คาสาบใส่ข้าตอนนี้เพราะคําสาบนั่นข้าจะเป็นคนได้ในตอนกลางคืนและเป็นหงในตอนกลางวันมีเพียงรักแท้เท่านั้นที่จะคลายคำสาบได้ถ้างั้น ใข้าทำลายมันให้เจ้าเถอะข้าจะรักเจ้าอย่างสุดซึ้งไม่ว่าเจ้าจะเป็นหงษ์หรือว่าคนหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเจ้าคิดว่าจะทำลายคำสาบได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดแค่ว่าบอกรักใครสักคนก็พิสูจน์ได้แล้วแล้วว่ารักแท้ไม่รักแท้ต้องมีการเสียสละเจ้าพร้อมเสียสละเพื่อรักได้หรือยังล่ะ ได้ข้าจะทำข้าจะทำทุกอย่างเพื่อนางเงินก็ดีไม่นะซิกฟรีดจะกล้าทำอย่างนงั้นกับเขาไนดะ้ยังไงไม่โอเดทเตือสิทธที่รักโอเดทจะพวกงโง่โอเดทที่รักได้ปรดตื่นเธอ ด้วยใบหน้าชั่วร้ายของเขารถบัสหันหลังและเดินออกมาแต่ในตอนนั้นสตรอมเปอร์เข้าไปข้างหลังและเตะเขา <c oughs> เมื่อรถบัสลอยขึ้นไปในอากาศ <c oughs> ไม้คท <c oughs> าของเขาหลุดและตกอยู่บนพื้นด้วยพลังทั้งหมดของสตรอมเปอร์เตะเขาขึ้นไปในอากาศและกระแทกลงมาใส่ไม้คทาจนมันหักออกเป็นสองส่วนไม่ขณะนั้นรถบัสหายไปในอากาศ และไม่ได้เจอเขาอีกเลยทันใด น, นั้นแสงเวทมนตร์จากไม้คาถาที่หักได้เปล่งออกมามันส่องสว่างลอยไปหาโอเดตกับซิกฟรีดและสัมผัสกับพวกเขาทันใดซิกฟรีดได้กลับร่างกลายมาเป็นคนโอเดตก็กลับร่างเช่นกันเธอลืมตาขึ้นโอเดตโอเดตเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรนะ ข้าไม่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรอลอตบาทเอ่อข้าบอกได้แค่ว่าปล่อยให้สตรอมเปอร์ดูแลเขาไปเถอะเจ้าชายและสตรอมเปอร์พาเจ้าหญิงกลับมาพระราชวังซิกฟรีดอธิบายทุกอย่างให้แม่ของเขาฟังนางมีความสุขมากที่ได้พบเจ้าหญิงที่งดงามและเห็นด้วยกับการแต่งงานโดยทันทีออดเดและเจา้าชายซิกฟรดแต่งงานกันในพิธีที่งดงามเจ้าชายซิกฟรีดขึ้นครองราชเป็นราชา และทุกคนในอาณาจักรต่างยินดีปรีดาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสตรอมเปอร์ละ่ะคุณอาจจะสงสัยสตรอมเปอร์ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดในกองทัพของราชาและเขายังขอยให้แน่ใจว่าคนแบบรบ็อบาร์ดอยู่ใกล้จากอาณาจักรแห่งนี้